เอาผ้ามาให้หลวงพ่อนะได้ประโยชน์เยอะนะหลวงพ่อปืนหนึ่งหลวงพ่อใช้หลายปีอยู่แต่ว่าผ้าส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ได้เอาไปขายนะหลวงพ่อส่งไปอีสานทางนั้นชาวบ้านจนเยอะเลยส่งไปสุรินเอาไปให้เจ้าคณะจังหวัดไปอุปชาหลวงพ่อท่านเอาไปแจกต่อ ทบพระทั้งเมืองสุรินตอนนี้ใช้จีวร อ, อาจารย์ประมุลน ป, ปีปีหนึ่งได้หลายร้อยชุดท่านทางทางนั้นก็เลยก็อ ย, อยังช่วหน่ท่านนั้นจนจริงๆจนคนสุรินศรีสะเกตนะจนแต่คนศรีสเกตเราไม่คุ้นคนสุรินนี่ภาวนาเก่งนี่ใส่ใจคอ คนทางนั้นนะห้าวหานไม่กลัวใครห้าวหานไม่กลัวพระด้วยนะเทศเทศนะถ้าไม่ถูกใจแล้วเขามีธรรมเนียมเฉพาะของเขานะไม่เหมือนทางอีสานเหนือทางสุรินทร์เนี่ยถ้าใครมาก่อนนั่งหน้าเด็กมาก่อนก็นั่งหน้าผู้หญิงมาก่อนก็นั่งหน้าไม่ได้แยกว่าผู้ชายอยู่ข้างหน้าผู้หญิงอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ย ฮันสุรินไม่มีเขาสิทธิสตรีเขาเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเลยถ้าทางบุรุษจะกลัวด้วยซ้ำไปเขาซื่อต่อธรรมะซื่อแต่ธรรมะตัวนี้น่าสารเสริญที่หลวงพ่อรู้จักนะชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยฉลาดในธรรมะแต่ไม่ใช่ฉลาดแกมโกงมีวันหนึ่งไปเจอลุงคนหนึ่ง ลุงคนนี้ก็ลูกศิลป์หลวงปู่ดูลยเหมือนกันนะตอนนี้คงตายไปแล้วตอนนั้นก็แก่มากแล้วถามลุงอยู่วัดถือศีลแปดหรือเปล่าครับถือถือศีลแปดตกเย็นนะั้นเราเห็นแก่หุงข้าวลุงศีลแปดอะไรกินข้าวกินยาเนี่ยหมอมันสัง่งนะเราเป็นโรคกระเพาะหมอมันสัง่งเนี่ยเรากินยา ไม่ได้กินอาเลออะไ ร, รนะนี่กินข้าวแลนะ้วนี่ยโอ้โฉฉลาดจังเลยถ้าคนกรุงเทพได้ยินอย่างนี้นะกินยาทุกวันเลยไม่ป่วยก็กินนะกินยาบำรุง <c oughs> อวกนะคนทางโน้นนะเขาห้าวหารอนะเรื่องการภาวนานะเด็ดขาดมากเลยแต่มารุ่นหลังๆหลวงพ่อไม่รู้จักแล้วนะรุ่นสมัยที่หลวงปู่ยัอยงอยู่เนะี่ยค า, วารวดภาวนาเก่งมากเลย หลวงปู่ก็สอนโยมไปเยอะแยะสมัยนันน้นโยมบางคนหนึ่งชื่อลุงสิริพระนางก็เก่งลุงสิริเป็นญาติญาติกับหลวงปู่อยู่ทางพนมรุ้งแต่ที่็ตายแล้วไปนั่งคุยกับแ ก, แกถามว่าหลวงปู่สอนอะไรให้ลุงอ่ะสอนพิจารณา ก, กายนะเห็นไหมใครว่าหลวงปู่ดูสอนดูจิตอย่างเดียว ถูครูบาอาจารย์ชั้นเลิศถ้าไม่สอนอย่างเดียวหรกท่านสอนให้เหมาะกับจริตลูกศิษย์นะอาลงศิรินะพี่นากายเจอคุยกับหลวงพ้อ ง, งานหลงพ้อ ง, งานหลวงปู่สอนอะไรสอนให้ดูกระดูกหลวงพ่อคืนนะหลวงพ่อตัวหลวงปู่ดูลสอนให้ดูผมเส้นเดียวยมีโยมคนหนึ่งท่านให้พุทธโธแล้วก็สังเกตคนที่รู้พุทธโธ คนที่ท่องพุทธโธคือจับเอาผู้รู้นะหลวงพ่อนะท่านให้ดูจิตไปเล ย, ยงั้นแต่ละคนเนี่ยถ้าไปเรียนกับหลวงปู่ดูลได้นะบุญที่สุดเลยนะธรรมะที่ท่านทิ้งไว้ใหนะ้วิเศษนะท่านสอนไม่ออกนอกอย่าส่งจิตออกนอกจิตออกนอกเป็นตัวสมุไทยเป็นตัวตัณหานั่นเอง ให้เรารู้ทันนะจิตมาออกนอกไปเราคอยรู้ทันออกนอกจากอะไรออกนอกจากรู้ไนะหลออกไปข้างนอกบ้างข้างในบ้างไนะหลไปนิ่งๆว้างๆบ้างไหลไปอยู่ตรงกลางบ้างนั่นแต่เคลื่อนทั้งหมดเลยบางคนได้ยินว่าไม่ออกนอกก็เลยประคองเอาไว้ให้นิ่งๆประคองไว้ก็ไม่ได้หลวงปู่สอนนะว่าใช้จิตสแสวงหาจิตอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอเนี่ยไม่ใช่หากันเล็กๆน้อยๆ หาตลาดกลับก็ไม่เจออย่างพวกเราจะมาหัดดูจิตแล้วเราเที่ยวเที่ยวดูว่าจิตอยู่ตรงไหนเนี่ยท่านบอกให้หาไปเถอะอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอเพราะอะไรเพราะจิตมันเป็นคนดูต่างหากเนะี่งั้นอยู่ๆเราจะดูจิตนัเราเที่ยวหาจิตเนี่ยจะหาไม่เจอหรอกกลายเป็นการใช้จิตไปเที่ยวสแสวงหาจิตนะกลับหนึ่งก็ไม่เจอจะดูจิตเหรอง่ายๆนะอาศัยการรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเนี่แ เพรความรู้สึกนั้นเกิดร่วมกับจิตไม่เกิดลอยๆอยหรอกความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนะเรารู้ทันความรู้สึกดับไปความรู้สึกดับไปแล้วก็จะรู้ทันจิตนะโอ้จิตตะกี้นี้มีกิเลสมีราคะเนี่ยพอเรารู้ทันนะราคะดับไปจิตขณะนี้ไม่มีราคะจะเห็นอย่างนี้นะจะเห็นเป็นคู่คู่ไปเวลามีราคะก็เห็นจิตมีราคะจิตที่ไม่มีราคะคู่กั น, น, นเวลาโทสะเกิด เรารู้ทันว่าจิตมีโทสะเราก็จะเห็นเองจิตมีโทสะอยู่ช่วคราวหายไปเกิดจิตไม่มีโทสะนะ เ, นเกิดอย่างนี้ก็เห็นมันเป็นคู่คู่เห็นเป็นคู่คู่ดียังไงเห็นไตรลักษณ์นั่นแหละนะเห็นไหมจิตมีโทสะอยู่ไม่นานกวหายไปละกลายเป็นจิตที่ไม่มีโทสะจิตมีราคะอยู่ไม่นาน้วหายไปกลายเป็นจิตไม่มีราคะ แสดงว่าอะไรจริตที่มีโทสะก็ไม่เที่ยงจิทตที่มีราคะก็ไม่เที่ยงหายไปแล้วแล้วดูๆเป็นคู่คู่ไปแล้วสังเกตให้ดีกรรมฐานที่ท่านให้เป็นกรรมฐานที่เป็นคู่คู่หายใจออกกับหายใจเข้าพระเยซูหายใจออกนะก็รู้สึกนะรู้ทันนะรู้ชัดหายใจเข้าก็รู้ชัดรู้ชัดอะไรรู้ชัดว่าตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราหรอก รูปมันเคลื่อนไหวไม่มีเราไม่ใช่เราหายใจแต่ว่าร่างกายมันหายใจไม่ใช่เราหายใจนี่เรียกว่ารู้นะงนั้นท่านสอนกนรรมฐานจะสอนคู่เป็นคู่คู่ไปนะหายใจออกก็หายใจเข้าใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนนี่ก็เป็นคู่คู่เหมือนกันแต่เป็นคู่มีสี่ตัวเข้าคู่กันเปรียบเทียบกันนี่ก็เป็นพาคีเป็นพวกเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน เวลาสอนท่านไม่ได้สอนอันเดียวพิสูจทั้งหลายยืนอยู่รู้ชัดว่ายืนอยู่จบแล้วไม่เทศต่อพิสูจยืนจนขาแข็งตายเลยยืนจนล้มกลิ้งอยู่กลางพื้นยืนไม่ได้ใชท่านสอนสอนให้เห็นเลรูปที่ยืนอยู่ก็ไม่อยู่ไม่นานนะยืนนิ่งๆได้ไหมมันยืนนิ่งๆไม่ได้เดี๋ยวก็เดินไม่เดินก็นั่งนั่งอยู่ถ้าไม่ลุกขึ้นยืนก็นอนเห็นไหมหมุนเวียนไปนรูปไม่เที่ยง รูปที่ยืนรูปที่เดินรูปที่นั่งรูปที่นอนไม่ใช่ตัวเราแล้วคาว่าคู่เนี่ยไม่ใช่แปลว่าสองนะคู่หมายถึงมีการเปรียบเทียบได้หายใจออกกับหายใจเข้าไม่เหมือนกันยืนกับเดินกับนั่งกับนอนยืนเดินนั่งนอนมีตั้งสอย่างก็ถือเป็นทำเป็นคู่เป็นสิ่งที่มีการเปรียบเทียบกันได้ยืนไม่เหมือนกับนั่งนั่งไม่เหมือนกับเดินเดินไม่เหมือนกับนอนเปรียบเทียบกันได้เห็นเป็นคู่คู่ เพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นว่าไม่มีอะไรคงที่เลยรูปที่หายใจออกก็ไม่คงที่รูปที่หายใจเข้าก็ไม่คงที่รูปยืนก็ไม่คงที่รูปเดินรูปนั่งรูปนอนไม่คงที่เห็นไหมนะท่านสอนธรรมะเป็นคู่คูนะ่สอนเวทนาเวทนาทางกายมีสองอย่างนะสุขเวทนากับทุกขเวทนาร่างกายไม่ได้สอนให้ดูแต่สุขเพนะสุขนะมีสุขได้ก็อย่างทุกขได้นะ ท่านให้ดูไปอย่างนี้เป็นคู่ๆนะมีสุขได้เมื่อไหร่ก็ยังมีทุกข์ได้เมื่อนั้นแหละตามมาติดๆเลยไปซื้อเก้าอี้มาตัวละแสนกะนั่งให้สบายนั่งได้เดี๋ยวเดียวก็เมื่อยแนละ้วนะเมื่อยเท่าๆกับเก้าอี้อื่นแนะหละหลวงพ่อนั่งเก้าอี้นี่ยแข็งโป๊กเลยหลวงพ่อก็เมื่อยเหมือนพวกเรานั่นนงกับพื้นมันก็เมื่อยพอๆกันนั่นนงเก้าอี้แพงๆยิ่งเมื่อยหนักกข้าอีกนั่งแล้วยุบลงไปนะโลรหัวมาหน่อยอย่างนี้ เมื่อไหร่ทรมานที่สุดเลยนะเหมือนตัวอะไรอยู่ในรูนั่งไรงน้นโหละทุรักทุเลรวมความแล้วทุกข์ทั้งนั้นเลยนะดูไปสุขกับทุกข์ก็คู่กันหมุนเวียนเปลีป่ยนแปลงไปได้ในจิตใจละ่ะในจิตใจก็มีความรู้สึกโสมนัสมีโทมนัฐมีอุเบกขาโสมนัสก็คือความสุขใจโทมนัฐก็ความทุกข์ใจอุเบกขาไม่ทุกข์ไม่สุขทางใจนะ มีสามอย่างก็ถือเป็นคู่เหมือนกันไม่ทาบางคนบอกทำไมไม่เป็นขี้ยังไม่ใช่เวลาอันนี้เป็นคู่ก่อนนะเป็นคู่คู่หมายถึงมีการเปรียบเทียบได้มีสุขได้ก็ยังมีทุกข์ได้มีสุขได้มีทุกข์ได้ก็มีเฉยฉยได้เนี่ยดูอย่างนี้สุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเฉยๆยก็ไม่เที่ยงไหมมีทาเป็นคู่คู่ถ้ามาดูจิตล่ะดูจิตสังขารจิตมีราคะจิตไม่มีราคะ เป็นคู่จิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะเป็นคู่จิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะเป็นคู่จิตฟุ้งซ่านจิตโถดหูเป็นคู่เห็นเป็นคู่คู่เรียนนะเรียนทีละคู่นะมันจะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาเหมือนความมืดและความสว่างนะเหมือนกลางวันและกลางคืนถ้าเราเห็นว่ากลางวันเป็นทุกกลางคืนเป็นทุกลก็จะไม่มีตอนไหนไม่ทุกนะก็อยารู้จริง ดังนั้นถ้าเราเห็นธรรมะที่เป็นคู่ล้วนแต่แปรปรวนล้วนแต่ไม่เที่ยงอะไรๆก็ไม่เที่ยงอะไรๆก็แปรปรวนอะไรๆก็ทนอยู่ไม่ได้นะนี่อยู่พวกเราหัดรู้หัดดูเอานะสิ่งที่ท่านสอนนั้ท่านสอนธรรมะที่เป็นคู่คู่เรียนทำคู่ไปนะพอแจ้งขึ้นมานะต่อไปจะได้ทำหนึ่งทำหนึ่งทำหนึ่งพวกเรายังไม่มีนะต้องเป็นพระอราหันต์ถึงจะมีทำหนึ่ง มีจิตหนึ่งคู่กับธรรมหนึ่งนะอุตสามีคู่เป็นกันเลยแต่จิตหนึ่งกับธรรมหนึ่งนะั้นรวมด้วยกันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันจิตนั้นแหละทรงทำไว้แล้วธรรมนั่นแหละทรงทำไว้เป็นอันเดียวกันตอนนี้เราก็ดูของเป็นคู่คู่ไปก่อนยังไม่มีของเป็นหนึ่งครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาเก่งๆนะั่นท่านจะสอนสิ่งที่เป็นหนึ่งสอนเป็นร่องรอยไว้ให้เรารู้ทิศทางในอนาคตนะัเราจะเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่ง อยาหลวงปู่ดูลสอนเรื่องจิตหนึ่งท่านพุทธทาสสอนเรื่องจิตเดิมแท้หลวงปู่บุตรดาท่านสอนเรื่องจิตเดียวจิตเดียวก็คือจิตหนึ่งนั่นแหละแต่และองค์มีจำนวนไม่เหมือนกันหลวงปู่เทศเรียกว่าใจใจมีหนึ่งเท่านั้นนะใจนั้นสุดท้ายจะเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งนะหนึ่งแต่ไม่มีสองไม่มีคู่ เมื่อเป็นหนึ่งที่ไม่มีคู่มันก็เที่ยงสิมันก็เป็นสุขแล้วอราวนี้นะแต่ไม่ใช่เจ้าของไม่มีเจ้าของเป็นอนัตตางั้นตัวทำแท้เนี่นะไม่มันเที่ยงนะทำแท้เนี้เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นสุขนะแต่ว่าเป็นอนัตตาไม่มีเจ้าของนี่เราเรียนยังไม่ถึงตัวนี้เราก็เรียนของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปก่อน วันหนึ่งก็จะเห็นนะของที่เที่ยงของที่เป็นสุขแต่ว่าเป็นอนัตตาค่อยๆเรียนชีวิตจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนมหาศาลเลยมีความสุขที่สุดเลยหายใจออกก็มีความสุขหายใจไม่ออกก็มีความสุข <c oughs> <c oughs> เวลาทาหายใจไม่ออกต้องยืดยดไปก่อนอย่างเงี้ยถึงจะหายใจออก <c oughs> เราไปตรวจกันบ้านอ่ะ ข อ, อ, อการบ้านที่หลวงพ่อให้ไว้คือพอถอดจากสมาธิแล้วให้พิจารณาสภาวะค่ะเมื่อวานเกิดความอยากอยากเห็นสภาวะมากไม่เห็นอะไรเลยก็อยากนั่นแหละคือสภาวะแล้วพอมาปล่อยปล่อยความอยากออกคือหยุดระงับความอยากก็ได้เห็น เ, เ, เห็นตัวเรากําลังทําอะไรนั่งสมาธิอยู่อืมเออมันมีนเรานั่งตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรานั่งแบบมีเรานั่งยังดูไม่เป็นนะ เ, เออถ้าดูเป็นจะเห็นว่าร่างกายนั่งเราเป็นคนดูก็เห็นอยู่ได้ประมาณนั้นนะคะแล้วก็อารมณ์ก็คือจากถอดสมาธิแล้วจะไม่เคยสํารวจตัวเองเลยว่ารู้สึกยังไงออก็สํารวจนั่นแหละก็สํารวจตัวเองว่าเออตัวเองรู้สึกเบิกบานน่านต้องอย่างนั้นแจ่มใสแล้วก็ออรู้สึกคล่องตัวนั่นแหละนะนะออกจากสมาธิแล้วอย่าไปทิ้งเปล่า ออกจากสมาธิแล้วให้รู้กายให้รู้ใจรู้ตอบไปเลยไม่เว้นวักนะนี่ออกจากาสมาธิมาสามชั่วโมงแล้วกลับมาดูเสียเวลานะออกแล้วดูเลยเห็นเลยออกจากสมาธิใจโลง่งดูใจโ ล, ล่งโล่ไปสักพักใจไม่โล่งแล้วคือจะกล่าวขอกันบ้านพวกความก้าวหน้าในทางให้ไปหมด<ำ>แล้วนะมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันจะเอาอะไรคือขาเจ้า่ะ อย่าประคองนะไม่ประคองนะในขณะเดียวกันน่ยใจต้องอยู่บนฐานของมันต้องรู้สึกตัวใจไม่กระจายกว้างๆโล่งๆออกไปนะตอนนี้ใจไม่เข้าฐานดูออกไหมเจ้าค่ะฮะดัง ๆ, งๆเออเจ้าค่ะดูออกใช่ไหมหลวงพ่อไม่ได้แกล้งโม้ใช่ไหมไออตื่นเต้นนะเจ้าค่ะเออใจมันกระจายออกไป น, นะให้รู้ฐานเอาแล้วก็ ข้อสุดท้ายนะเจ้าค่ะเพราะว่าคิดว่าคงจะไม่มีโอกาสได้มาอีกเจ้าค่ะเพราะว่าอีกคงอีก10ปีอะไรอย่าเงี้ยอะไรนะอีกสิปีเหรอเห็น <ๆ S 2> <ๆ S 1> คิวเต็มไปอีก10ปีอ่ะ้าค่ะก็อยากให้หลวงพ่อช่วยเมตตาช่วยแก้ไขสิ่งที่หลวปฏิบัติมาตั้งแต่2546ว่าไม่ทราบว่าว 4, <6 S 2> ปฏิบัติได้หลวงพ่อไม่ได้เล็กขวานคือถ้าตรงไหนปฏิบัติได้ความเข้าใจผิดหรือว่าที่ภาวนามานะมันพัฒนามาตามลําดับนะ รู้สึกตัวหรือเปล่าเจ้าค่ะยังเคยหลงก็ไม่หลงนานนะเคยทําผิดศีลหน้าตาเฉยก็ชาจะทําไม่ได้เจ้าค่ะใช่ใชไหมใช่ค<ช>่ะเออเห็นไหมมันดีขึ้นสารพัดออกนะใครทําไปหน้าจิตใจเคยจะฟุ้งฟุงฟุงนะตอนนี้จิตใจมเริ่มอยู่กับเนื้อกับตัวไหมศีลก็มีสมาธิก็เริ่มมีขึ้นม า, <c oughs> มาไม่เคยเห็นความเปลี่ยนแปลงในกายในใจตอนนี้ก็เริ่มเห็นแล้วนหน้าที่ต่อไปนี้ก็คือดูบ่อยๆ ดูบ่อยๆดูกายดูใจเขาทางานไปเรื่อยจนเขาพอเละเหมือนกินข้าวนะกินข้าวไม่ต้องถามว่าจะกินกี่นาทีกินไปจนอิ่มภาวนาก็เหมือนกันภาวนาไปจนพอใจมันพอเมื่อไหร่เม่ตัดเมื่อนั้นะยังไม่ตัดก็ยังไม่พอแต่ภาวนาไม่ได้ทำด้วยความอยากอย่าทำด้วยความโลภแล้วก็ไม่ขี้เกียจห้ามยากนะถ้าไม่โลภมันก็ขี้เกียจรู้สึกห ไม่ไม่โลภแล้วไม่ได้อยากได้มรกผลนอนดีกว่านะแล้วนะทําแบบมีวิไนนะทําแบบบูชาพระพุทธเจ้าทุกวันภาวนาเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าไม่ได้ทําด้วยความโลภนะคุณความดีทั้งหลายที่เราสร้างนะถือเป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าไว้นะรักพระพุทธเจ้าให้มากๆนะแล้วจะดีที่สุดเลยหลวงพ่อเนี่ยรักพระพุทธเจ้าเวลาหลวงพ่ออยากทําสมาธิแบบรวดเร็วนะหลวงพ่อลงกราบพระเฉยๆแล้ว กราบลงไปนะแล้วทําความรู้สึกขึ้นมาว่าเรากําลังกราบอยู่แทบทระบาทของพระพุทธเจ้าแค่นั้นปีติก็เกิดลนะสมาธิเกิดแล้ง่ายเห็นไหอนึกถึงพระเจ้าบ่อยๆมีความสุขนะพอจิตใจมีความสุขมีเรี่ยวมีแรงแล้วเนี่ยมาเจริญปัญญาดูกายเขาทํางานดูใจเขาทํางานเราเป็นแค่คนดูนะฝึกอย่างนี้เรื่อยๆมีความสุขสดชื่นจัง นึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วสดชื่นนะน้อมรสการค่ะหลวงพ่ออืวันนี้มีโมหะค่ะอืวันไหนก็มีไม่เชพราะวันนี้หรอกก็เมื่อวานก็ยังดีกว่าวันนี้ค่ะเมื่อวานเป็นอดีตคปัจจุบันมีโมหะอยู่กับปัจจุบันด้วยความเป็นกลางอย่าไปเกลียดมันจิตมีโมหะก็น่าสงสารพอสมควรแล้วยังถูกเราเกลียดอีกแย่เลยนะอย่าไปซ้ําเติมมันนะ จิตมีโมหะให้รู้ว่ามันมีโมหะรู้ซื่อๆรู้ด้วยความสงสารมันหัดเมตตาจิตใจตนเองบ้างนะเวลาสวดแผ่เมตตาใครเคยแผ่เมตตาบทแผ่เมตตาเต็มยศนีนจะเริ่มอหังสุขิโตโหมินะให้เรามีความสุขนะนะแผ่ตัวเองก่อนเพราะนั้นอย่าไปทรมานตัวเองมากเวลาภาวนาะก็อย่าไปทรมานตัวเองแต่ไม่ใช่ขี้เกียจนะนะงั้นเรามีความสุข งั้นจิตใจมีโมหะรู้ว่ามีโมหะไม่เกลียดมันไม่โกรธมันไม่ด่ามันไม่แช่งมันมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะเคยด่าหลวงปู่ขาวอ่านประวัติท่านไม่เคยเจอท่านหลวงปู่ขาวนะท่านภาวนาแล้วท่านเห็นวนะ่าจิตของท่านนี้มันดื้อเหลือเกินนะท่านนั่งด่าจิตนะด่าจิตเลวสาบแช่งมันหลวงปู่ ม, มั่นรู้นะด่าในใจนะหลวงปู่ ม, มั่นรู้นะไปว่าท่านห้ามว่าจิตนี้เป็นของดีของวิเศษนะอย่าไปด่า อย่าไปด่านค่อยๆฝึกไปมีเจริญเมตตาให้มากๆหลวงปู่เขาทั้งขี้โมโหท่านก็ให้เจริญเมตตามากๆจิตใจก็ล่มเย็นร่มเย็นเป็นสุขภาวนาง่ายงั้นเราภาวนาไปด้วยจิตใจที่ร่มเย็นเป็นสุขนะทําอะไรจิตใจจะร่มเย็นเป็นสุขง่ายๆเลยนึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆร่มเย็นเป็นสุขนะพระพุทธเจ้าไม่มีโทษกับใครนะมีแต่คุณไม่มีโทษนะ เรานึกถึงบ่อยๆมีความสุขเราไปนึกถึงคนอื่นมันมีทั้งคุณทั้งโทษใช่ไหมถ้ามีพระพุทธเจ้าเราเนี่ยนึกถึงแล้วดีมีแต่คุณไม่มีโทษนึกถึงแล้วร่มเย็นพอใจเราร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยได้สมาธิแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆใจก็มีสมาธิได้สมาธิแล้วมาเดินปัญญาดูกายทํางานดูใจทํางานดูเรื่อยไปดูจนดูไม่รู้เรื่องอะ่ะก็กลับมาทําความสงบใหม่จะนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วจะทำกรรมฐานอะไรก็ได้ ง่ายๆไม่ยากอะไรภาวนาอ่ะตายเหมือนจะสติน้อยลงกว่าเมื่อเช้าหน่อย อ, รอธรรมดาน ะ, ะเพราะอาหารมันเข้าไปแล้ยสึกเมันจะเบลอเบลอด้วยนิดหน่อยค่ะกิเข้าแล้วไปไย่นั้นแหละธรรมดาเลือดลงกระเพาะเคลื่อนสมองน้อยลงยังมั ว, ม, วมัวอยู่ค่ะหลวงพ่อเมื่อวานผมมาเดินจงกรมในศาลาค่ะ มันเหมือนกับจิตมันมันตั้งมั่นขึ้นมามาสักแป๊บหนึ่งค่ะแล้วมันก็ล้มไปไปเองนะคะแต่พอพอถัดจากนั้นน่ะมันมันมันมีความสุขเหมือนกับมันพุลขึ้นมาเป็นระยะระยะมันมันเป็นความสุขที่ที่ที่เป็นโสมนัสนะค่ะชที่ที่มันขึ้นมาเองอดีแต่ทีนี้ที่โอ๋เห็นต่างไปก็คือปกติคือคือมันจะมีความสุขแบบนี้เกิดขึ้นมาอยู่บ้างนะคะเป็นระยะแต่ว่าปกติแล้วมันจะเหมือนจิตมันจะไป เป็นนวลเนียอยู่มันจะมีระยะที่จะไปเข้าเคลียอยู่อยู่กับความสุขอันนี้บ้างแต่เมื่อวานเนี่ยโอเห็นว่ามันดับไปแบบแรกเร็วมากมันภาวนาดีนะในศาลาเนี้ยเพราะพวกเราช่วยกันมาฟังธรรมะจิตใจเราไปกุศลนะพลังของกุศลเนี่ยมันร่มเย็นดีเห็นหรือยังว่ามันเกิดดับได้ใช่เห็นเลยค่ะมันเห็นไหมไม่มีอะไรอยู่ในอำนาจ แม้แต่ความความสุขแบบนั้นมันก็หายไปแม้แต่ความทุกข์แม้แต่ความเฉยเฉยไม่อยู่ในอำนาจนะอ่ะไปต่อไปขอบคุณค่ะจะทำต่อนะจะทาต่อใครจะคุยกับหลวงพ่อ อ, า, อางนี้ใครมาจากต่างประเทศบ้างมีไหมบางคนบอกมาจากต่างประเทศทั้งทีนะไม่ยอมเรียกเลยใจร้ายใจดําไม่มีนะเอาใครมาจากที่ไกลๆมากเอาสักสี่ห้ารอยกิโลเที่ยวเดียวนะไม่ใช่ไปกลับสิบเที่ยวนะ อา้าวเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดมาจากไหนเออไกลเอะไปส่งไปภูเก็ตไกลแล้วสามสิบแปดมาจากไหนสุราษฎร์ก็ไกลแล้วนั่นล่ะเออบุรีรัมย์ก็ไกลอา้อาวเสุราษฎร์ก่อนนะสุราษฎร์นะแล้วไปบุรีรัมย์แล้วไปภูเก็ตนะเรือบินมันบินงงตายเลยอนะ้าวเอ า, เอาสุราษฎร์ว่าไปสการหนวงพ่อคะ่ะ อย่ารบกวนให้หลวงพ่อดูเวลาหนูนั่งสมาธิค่ะหนูจะนั่งให้ซึมนะนั่งให้รู้สึกตัวนั่งให้สบายนั่งให้โปร่งโปรงต้องต้องได้หลวงพ่อดูไหมคะหรือไม่ต้องอ้านั่งให้ดูก็ได้เง้ยงงงงงสงใหม่ไม่ให้ทางภูเก็ตนะคะอ่าให้ให้บุรีรัมย์ให้บุรีรัมย์ก่อนนีภาคนิยมจะให้ภูเก็ตเลยอ้าสุราชนั่งไปเวลานั่งสมาธิอย่าเริ่มต้นแบบนี้นะเริ่มต้นแบบนี้จะซึม หลวงพ่อบอกว่านั่งแล้วมันจะซึมนั่งรู้สึกตัวนะนั่งแล้วอย่าน้อมจิตมันมันไปอย่างเงี้ยนะมันจะซึมไปเรื่อยเราคิดว่าซึมคือสงบไม่ใช่นะต้ารู้สึกตัวไว้นะหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวเห็นร่างกายนั่งใจเป็นคนดูดูไปอย่างสบายๆดูด้วยความรู้สึกที่ปลอดโปร่งโล่งเบานะดูเหมือนเห็นคนอื่นกําลังนั่งหายใจอยู่เนะี่ยจิตเริ่มดิ่งเข้าไปทราบม้ไนหะ จิตไหลเข้าไปข้างในนะก็ะให้รู้ทันว่าจิตไหลเข้าไปนี่เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นจิตจะไม่ไหลจิตจะเป็นคนดูอยู่นะเป็นคนดูอยู่แล้วเกิดความสุขความสงบจนกระทั่งร่างกายหายไปเลยนะจิตยังทรงตัวอยู่เลยไม่หายไปถ้าอย่างที่คุณนั่งเนี่ยมันจะน้อมนั่งแล้วมันน้อมเข้าไปข้างในนะลึกๆดิ่งๆ ล, ล, ล, ลงไปมันจะนิ่งนิ่งว่างได้แต่ความสงบเฉยๆนะเราพัฒนาการนั่งสมาธิขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง นั่งแล้วก็เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูนั่งแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตเป็นยังไงรู้ทันจิตดิ่งเข้าไปก็รู้ทันนะไม่ปล่อยจิตให้ดิง่งจนไปหลับอยู่ภายในนะปรับตัวนี้ซะแล้วเดี๋ยวดีขึ้นจะเดินปัญญาได้คล่องแคล่วขึ้นอ้าวคนบุรีรัมม์นมัสการค่ะหลวงพ่อเอออย่างนี้ก็มีนะหลวงพ่อถามคนที่ไหนวันก่อนนี่เองอะ่ะบอกคนอุบลหรืออะไรอะพอตอบเสร็จแล้วนะก็มาสารภาพว่าทํางานกรุงเทพ เกิดอุบัติอย่างนี้ไม่เอานะอ๋ออะอยู่บริลลัมค่ะอ๋ออ่าว้าวไงรู้สึกตัวเองเป็นคนที่คิดสมองคิดตลอดเวลาอออย่าไปเครียดมันค่ะนะทีนี้ถ้าอยากภาวนาแล้วไม่ค่อยมีสมาธิไม่เป็นไรเราภาวนาแล้วมันไม่สงบนะแล้วยิ่งอยากสงบยิ่งฟุ้งซ่านใหญ่ยิ่งเครียดหนักแล้วเราต้องทำทหาอะไรเป็นเครื่องอยู่ทําทำใจให้สบายก่อน ทำใ จ, ำใจใใสบายๆนะ <c oughs> แล้วก็นั่งดูไปเห็นร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายมันนั่งร่างกายมันนอนจะสงบหรือไม่สงบช่างมันนะคอยเห็นร่างกายมันกระดุกกระดิกไปเรื่อยต้องเดินจงกรมอะไรไหมเดินจงกรมก็ได้แต่อย่าเดินแล้วเครียดพอเดินนี่ก็จะคิดเรื่องอื่นไปหมดเลยอ๋อนะแล้วเดี๋ยวก็โมโหอีก แต่ว่าพอดีที่บ้านก็แบบค้าขายอยู่หน้าร้านตลอดหน้าแหละภาวนามันหน้าร้านนั่นแหละเอาหน้าร้านเลยเ อ, อ <laughs> ลูกค้าไม่มาเลยกลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มใจลูกค้ามาดีใจรู้ว่าดีใจลูกค้าคนนี้มาไอ้คนนี้ปากหมา <laughs> ชอบต่อนานแต่ไม่ซื้อโมโหรู้ว่าโมโหแ <laughs> ม้แค่เห็นหน้ามันยังไม่ทันจะพูดเลยก็โมโหแล้ว <laughs> ก็รู้ว่าโมโห <laughs> นะวันนี้อยากจะพักเหนื่อยแล้วเกินรวยมากแล้ว ลูกค้าก็แน่นแน่นเต็มร้านเลยหน่วยไม่รู้จะไปสักทีชักงุดหงิดแล้ว <ฮะ S 2> อยากคักแล้วเบื่อรู้ว่าเบื่อเนี่ยดูความรู้สึกของเราเลยขายของหน้าบ้านไปแล้วแล้วก็ดูความรู้สึกของเราไปแต่บางทีไม่ไม่ค่อยมอโหลูกค้าโมโหคนที่บ้านเลค่ะโมโหให้ดูเอาคนเรามีจุดอ่อนนะจุดอ่อนข้อหนึ่งนะพวกเราทุกคนเลยนะสำนึกไว้นะเราชอบทำร้ายคนใกล้ตัว แต่เหมือนถูกคนใกล้ตัวทําร้ายมากกว่า <laughs> เป็นบุญของเรา <Okay. S 1> เป็นบุญของเรานะเราถูกทําร้ายจริงแต่เราไม่ได้ทําร้ายผู้อื่นเป็นบุญของเรานะ <Okay. S 1> โอเคให้เขาทาร้ายไม่ว่าเขานะ <laughs> อย่างหลวงพ่อนะคนบรรดาให้มันด่าไปมันมีความสุขเอเผื่อมันจะมีความสุขมากขึ้นให้มันดา่าเราไม่ว่ามสักคำข <laughs> ำดี <laughs> อ้าวคนภูเก็ต ภาวนานะไม่ใช่ภาวนาเพื่อบังคับจิตบังคับใจแต่ภาวนาเพื่อรู้ทันกายรู้ทันใจนะดูมันทำงานไปเรื่อยๆนะทำตัวเป็นแค่คนดูนะคนสุราช๋ยวให้เคลิ้มไปนะรู้สึกไหมพอถอยออกมาเนี่ยจิตมันซึมเหม็นเราไปติดความซึมออกมาจากข้างในสมาธิชนิดนี้ครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าโมหะสมาธินะเป็นสมาธิที่ไม่ควรทา ทำแล้วโมหะมากขึ้นซึมมากขึ้นแทนที่ทำแล้วจะกระปรี้กระปล่าอรู้เนื้อรู้ตัวสมาธินั้นต้องทําไปเพื่อให้รู้เนื้อรู้ตัวนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่ทําเพื่อให้ซึมนะปรับตัวนี้เสส่วนคนบุรีรัมใจมันฟุ้งซ่านให้รู้ทันว่ามันฟุ้งซ่านดูมันฟุ้งซ่านเหมือนดูคนอื่นฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆนะโมโหคนในบ้านรู้ว่าโมโห ปิดปากเก็บมือเก็บเท้าไว้นะแล้วก็ดูใจของเราออกไหมทางปากเวลาโมโหไม่ออกเนาะกลัวถูกตีหรือเปล่าอ๋ อ, อไม่ตีนะอย่างดีนะถือว่ามีบุญนะไม่ถูกตีบางบ้านโดนตีด้วยเขาแยกกันหรอเอาคนภูเก็ตคนักประสาทอาจารย์ครั บ, รรรบเมื่อปีเสศษ เ, <ๆ>เคยฟังซีดีใหม่ๆแล้วก็มาส่งกันบ้านพระอาจารย์ครั้งพระอาจารย์บอกว่าจิตมันประคองซึ่งเข้าใจว่าตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้เรื่อง ปัจจุบันกลไปทำงานที่ภูเก็ตนะครับประมาณปีเศษเศษมีโอกาสขึ้นมาก็เข้าใจว่าตัวเองรู้ตัวมากขึ้นแต่ว่าฟังเสียงแล้วเหมือนกับว่าบางครั้งก็ยังไม่ค่อยรู้ในเรื่องการทาดูจิตบางครั้งเลยต้องไปดูกายแทนสมาธิก็กลับขึ้นมาอืก็เลยอยากจะสอบถามพระอาจารย์ว่าจิตของผมเป็นอย่างพัฒนาขึ้นมาบ้างถูกต้องแล้วนะภาวนาการภาวนาไม่ใช่ทุกคนต้องดูจิตดูจิตนี่เหมาะกับบางคน นะเราถนัดกายเรารู้กายถ้ารู้กายถูกต้องนะมันจะเห็นในร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เขา้าของคุณเห็นตัวนี้ไหมร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนจิตเป็นคนรู้คนดูสุดท้ายเราก็รู้ทั้งกายทั้งจิตจิตจะมีกิเลสอะไรแทรกเข้ามามันก็เห็นเองแหละเห็นไหมบางครั้งเห็นครับนะเนี่ยคุณเอากายเป็นฐานไปก็ได้ถ้าถนัดกายไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่บางครั้งผมจะเป็นคนชอบคิดมากไงครับเรื่องทํางานก็เลยไม่แน่นใจว่าไอ้พระอาจารย์บอกถ้าเป็นคนชอบคิดก็ต้องตามดูจิตให้มากไม่ไม่เป็นไรนะถนัดอ่นไหนออนนั้นก่อนนะแต่สุดท้ายมันจะเปโลงที่จิตนั่นแหละับขอบพระคุณครับเอามีจังหวัดไหนอีกที่ไกลไกลที่คิดว่าไกลนะร้อยสมาจากไหนฮะปัตตานีไกลมากเลยแล้วร่อแหลมด้วยให้ก่อนเลย กลันมัส ก, การหลวงพ่อค่ะหลวงพ่ อ, อก็รู้จักพระองค์หนึ่งที่ปัตตนีหลวงพ่อทวดอ่ะอ้าวค่ะเมื่อกี้นี้ตื่นเต้นนะคะอบางครั้งก็รู้กายบางครั้งก็รู้ใจนะคะที่ภาวนาใช้ได้แล้วนะใจมันเริ่มตื่นรู้สึกไหมค่ะนะมันจะโปร่งโล่งเบาขึ้นมาค่ะเราก็ทําตัวเป็นคนดูนะเห็นกายมันเดินเห็นใจมันเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยคอยรู้ทันมันไปเรื่อยแล้วจะรู้เลยว่ามันไม่เคยอยู่นิ่งเลย ดูออกไหมมีแต่คําว่าไม่เที่ยงบางครั้งก็รู้สึกอึดอัดอืมอึดอัดเนี่ยบางทีเพราะเราไปจงใจดูก็อึดอัดนะไปบังคับก็อึดอัดบางทีไปเข้าใกล้คนอึดอัดเราก็อึดอัดด้วยมีหลายแบบที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะไปฝึกบ่อยๆอยู่ปัตนีเจริญมรณสติไว้ชีวิตไม่แน่นอนเห็นไหมดูไปด้วย แต่ที่ภาวนาอยู่นะจิตใจมีที่พึ่งที่อาศัยดีแล้วนะอ้าวต่อไปน้องสาวนะร้อยหกสิบมาจากไหนนครสวรรค์เอืกอไกรเจ้านี่อะไรอะไรมินช์อ้าวว่าไปวันนี้พวกที่อยู่บ้านใกล้แลนะขับแค้นมากเลยพิธีรำลึกวันเกิดของคุณพ่อค่ะไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่นี้อย่าประคองให้มันนิ่งนะรู้สึกไปดูไปสบายสบาย ทำตัวเป็นแค่คนดูนะใจช่างคิดรู้สึกไหมเวลามันหมกมุ่นอยู่ในโลกของความคิดนะให้รู้ทันเลยว่าใจกําลังฟุ้งซ่านอยู่รู้ไปซื่อๆอย่างนี้เลยนะมันคิดโน่นคิดนี่คิดโน้นคิดนี่ให้รู้ทันลงไปโอ้กำลังฟุ้งซ่านใจมันจะสงบเข้ามานะแล้วค่อยมาดูต่อนะอา้าวมิชิโกะเนี่ยหลวงพ่อเที่ยวหาเด็กนะักพันสวรรค์หาไม่เจอหามาสองวันแล้วนั่งอยู่นี่ ตัวมันไม่เล็กเท่าที่เราคิดไวอา้าวกาวนมาสการค่ะหลวงพ่ อ, อก็หนูรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ยหนูนิสัยไม่ค่อยดีค่ะหลวงพ่อก็ว่างนั้นนหะดู<ๆ>ไม่ทันกายใจตัวเองอะค่ะมันไม่ เ, เหมือนเมื่อก่อนหนูก็ดูบ่อยๆนะก็คือว่าเดี๋ยวนี้แบบมักจะโกรธคนอื่นมักจะโมโหคนอื่นง่ายหนูไปดูนะมันจะมีกิเลสตัวหนึ่งที่เติบโตขึ้นตามประสบการณ์ของชีวิตคือความรู้สึกว่ากูเก่ง ตัวนี้เรียกว่ามานะนะก็คือถ้าหนูไม่พอใจใครหรือว่าโกรธใครงเงี้ยหนูจะแสดงออกทั้งสีหน้าแบบเดยเห็นได้ชัดเลยเออะนะให้เรารู้ทันนะใจที่มีความโกรธเป็นใจที่ไม่มีความสุขมันเบียดเบียนล่างผานตัวเองเป็นคนแรกเลยแล้วไปล่างผานคนอื่นเป็นคนที่สองนะก็คือพอพอโกรธแล้วมันมันก็แบบรู้รู้ว่าโกรธแล้วมันก็หายไปแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่า พอไปเจออีกเหตุการณ์หนึง่งมันก็เกิดขึ้นมาอีกแล้นูไป ด, ดูตั ว, ตวนี้เลยนะหนูไปดูตัวนี้นานนานไปนะเราจะเกิดความรู้สึกเซลลจัดขึ้นมานะตัวนี้มันจะจัดขึ้นตามไวันะยิ่งแก่ยิ่งจัดนะงั้นหนูคอยรู้ทันเลยเวลาเกิดความรู้สึกเซลลจัดขึ้นมานะหนูคอยรู้ไว้นะค่ะก็คือก่อนก่อนมาเหมือนกับว่าหนูมา ก, กาบหลวงพ่อที่ไร ห, หนูจะต้องเจอกับวิบากค่ะก่อนมาหนูก็เจอนี้เป็นอะไรอีกอะ่ะ ก็คือว่าทะเลาะกับพ่อกับแม่ค่ะก็คือเหมือนก็ว่าเขาไม่เข้าใจและหนูก็ไม่เข้าใจเขาหนูคิดว่าเขารักน้องมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบทุกคนแบบรู้ว่าหนูหนูก็ตอนแรกหนูมีความรู้สึกว่าหนูโกรธขึ้นมาพอโกรธปุ๊บหนูก็รู้ตัวแล้วมันก็หายไปสักพักหนึ่งมันก็มีความรู้สึกอีกความรู้สึกหนึ่งแทรกขึ้นมาก็คือมันเป็นความรู้สึกน้อยใจค่ะพอหนูรู้ทันปุ๊บมันก็เบาลงไปแต่ว่า กายอะมันมีแบบน้ําตาไหลออกมาเลยแล้วก็ดูไปตายมันร้องไห้ใจเราเป็นคนดูตลกดีนะดูไปเลยก็เหมือนกับว่าหนูหนูรู้ทันหนูไมได้คิดอะไรหนูก็เฉยเฉยแต่ว่าน้ําตามันก็ไหลออกมาไม่เป็นไรไม่ห้ามมันก็คือเดี๋ยวนี้มันมีความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างแบบเกิดขึ้นมาในตัวหนูแล้วหนูก็แบบรู้ทันแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาบ่อยจัดมันเหมือนเป็นวิบากมันเกือบจะมีทุกวันเลยอะค่ะมันมีอยู่ทุกวันอยู่แล้วล่ะ เราหัดรู้หัดดูไปด้วยๆนะต่อไปกิเลสเนี่ยจะย้อมใจเราไม่ติด<า>กิเลสมีอยู่น ะ, ะแต่ไม่ย้อมใจเมื่อก่อนหนูฝึกแล้วแบบหนูมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าอารมณ์อะไรมากระทบหนูเนี่ยอย่างหนูจะโกรธมันก็สติมันก็ตดัดตัดไปไวจนแบบหนูมีความรู้สึกว่าหนูแบบตัวหนูเนี่ยเบาไปหมดรู้สึกลง่งแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นเหมือนตอนนั้นนะคะมันแบบ ไ, มไม่เป็นนะเมื่อหนูเริ่มมาเป็นพี่เลี้ยงวิทยากรอะไรต่ออะไรเนี่ยนะมันมีเราขึ้นมามีเราขึ้นมานะ แล้วเหมือนการภาวนาของเราเนี่ยมันเลยน้อยลงอยู่อยู่ในทางทางโลกค่ะแบบเรียว่าทั้งกลุ่มเพื่อนกลุ่มครอบครัวอะไรอย่างนี้ค่ะหลายๆอย่างมากระทบแล้วยิ่งเราเด่นนะมันยิ่งรู้สึกชั้นมีชั้นขึ้นมาหนูไปสังเกตตัวนี้ให้ดีนะค่ะแล้วต่อไปหนูอยู่ที่ไหนก็อยู่สบายค่ะก็ที่หนูมานี่ก็มีเพื่อนที่ฝึกมาพร้อมกันเขาก็จะส่งการบ้านหลวงพ่อด้วยค่ะอ้าวใครบอลเนอะ การักษาการของว่อชื่อโบ๊ทครับอะไรนะโบ๊ทครับโบ๊ทนะครับก็ช่วงนี้จะเป็นแบบเฉยๆครับอืมคือจิตเขาจะเฉยๆแล้วดูยากมากเลครับตัวเฉยๆอย่างครับเราไปประคองไว้ก็เฉยสิอย่าไปประคับประคองจิตไหมสิอย่างขณะนี้ยประคองอยู่รู้สึกไหมรู้สึกครับเราเรามาเป็นพี่เลี้ยงนะเราช่วยสอนน้องๆอะไรเนี้ย สอนไปสอนไปเราก็สังเกตจิตของเราไปด้วยไม่งั้นกลายเป็นว่าเราทำประโยชน์ให้คนอื่นนะมิชิโกรด้วยแต่ของเราเราดูน้อยลงเพราะวันวันเราดูแต่คนอื่นนึกออกไหมหัดใหม่ๆนะันเราดูตัวเองใช่ไหมมันก็ตัดเอาตัดเอาเดี๋ยวนี้เราสนใจดูคนอื่นนะเพราะฉะนั้นไปดูคนอื่นมีหน้าที่ต้องไปช่วยคนอื่นก็ไม่เป็นไร ไปดูคนอื่นแล้วจิตยินดีขึ้นมาให้รู้ทันจิตยินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันรู้ของเราบ่อยๆนะทำอย่างนี้เราจะได้ประโยชน์ด้วยเงั้นกลายเป็นเราทำประโยชน์ให้คนอื่นแต่เราเสียประโยชน์ของตัวเองนะพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนะถ้าเราทำประโยชน์ผู้อื่นอย่างเดียวแต่ของเราเราทอดทิ้งเราไม่มีเวลาดูเลยนะอันนี้เรียกว่าเราประมาทละคนเลยนะดูของตัวเองบ่อย แล้วชีวิตมันจะได้พัฒนาไปดีกว่านี้เอาต่อไปให้คนใกล้ๆบ้างไกลมากแล้วคนไหนอยู่ใกล้ที่สุดบ้างใกล้ที่สุดคนไหนเอาไว้ก่อนอยู่ใกล้ที่สุดอ้ามเบอร์แปดสิบแปดสิบชนมรสการพระอาจารย์ค่ะ <c oughs> เคยมาเพื่อเดือนกันยานะ <c oughs> ถ้ติดสมถะพระอาจารย์บอกให้ไปดูคนที่ชอบคนที่ไม่ชอบแล้วก็<ม>เลยไปหัดดูกายไงตอนนี้ดูเป็นบ้างยังคะตอนนี้ฮะ <laughs> อยู่คนี้พูดเร็วเร็วฟังยาก <laughs> ที่ <ไป S 1> ดูดอยู่เนี่ยถูกบ้างยังคะว่าถูกสิดดกมันไม่เหมือนแต่ก่อนแนละ้วรู้สึกเปล่า<ฆ>ใจมันโปร่งขึ้นมาเนาะโ<ฆ>ปร่งโลงเบาเป็นคนดูสบายๆดูไปเรื่อยๆนะถึงเวลาไหว้พรนะสวดมนต์เนาะแล้วนั่งสมาธิได้ยังคะตอนนี้ได้ได้แต่อย่านั่งแล้วเคลิมนะ และขนมันเหมือนมันตัวมันสูซ่าซูซ่าเป็นอาการอะไรไม่เป็นไรมีปิติ<น>ก็แค่รู้ว่ามีปิติและกลงคืนเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับเลยมันเหมือนมันดูไม่หลับก็ดีได้นอนดูมันไปมีบุญ <c oughs> อ, าอ้าวสี่สิบแปดการนามาตรการค่ะหลวงพ่ อ, อพอดีขนข้างๆนี้เป็นพี่สาว เป็นคนพาเข้ามาค่ะอืแล้วก็ยังไม่คิดว่าตัวเองจะปฏิบัติได้อืมก็ฝึกปฏิบัติอยู่แต่ไม่ทราบว่าจะดูจิตหรือดูกายดีคะหลวงพ่อมีอะไรให้ดูดวนนั้นแหละเรามีทั้งสองอย่างเห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกหิดใจเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกไปทั้งคู่หละไม่ใช่เอาอันเดียวนะรู้สึกมันทั้งคู่เลยตอนนี้ดูจิตได้ชัดก็ดูจิตไปมีอารมณ์แรงๆก็ดูจิตส่วนใหญ่จะโกรธทั้งวันเลยค่ะโกรธทั้งวันเลยหรอรู้ไหม โกรธตลอดเวลาเรียกว่ามีความเคยชินที่จะโกรธตายแล้วจะไปไหนรู้ไหมอันตรายมากนะได้เวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะอย่าโกรธต่อไปนะโกรธแล้วรีบรู้ทันไวๆนะให้โกรธแล้วรู้โกรธแล้วรู้ไม่ใช่ห้ามโกรธห้ามไม่ได้แต่โกรธแล้วให้รู้ทันเวลาโกรธขึ้นมาเราก็ได้บาปมาส่วนหนึ่งละเวลาเรารู้ทันเราได้บุญเท่าแค่นี้เวลาโกรธนั้นได้บาปแค่นี้เนีย มันโกรธแล้วรู้โกรธแล้วรู้บ่อยๆอย่าไปว่าใครอย่าไปตีใครอย่าไปเตะใครนะยิกขวัก็ไม่เอาตบก็ไม่เอากัดก็ไม่เอาสอนผู้หญิงต้องละเอียดหน่อยนะเราะผู้หญิงอาวุธเยอะกว่าผู้ชายนะผู้ชายอย่างมากก็เตะกันต่อย ก, กันผู้หญิงมีขวัมีกัดมีหยิกมีกันะกแหนกันแหน่ น, นั่นเรารักษาศีลไวนะ้ถ้าหากเราปล่อยใจให้เขาเคลียร์กับความโกรธเรื่อยไป เรากำลังจองนรกนะเพราะว่านารกเนี่ยนรกภูมิเนี่ยไปด้วยโทสะนะงั้นเราไม่เอานะงั้นโกรธขึ้นมารีบรู้ตัวนะเราจะได้ดีมีชีวิตที่ดีขึ้นข้างหน้าก็จะดีขึ้นอีกนะอดทนนะอดทนไว้โกรธไม่ดีหรอกขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ค่ะนะเบอร์ห้าเบอร์ห้านำมัสการ์ค่ะพระอาจารย์ ตื่นเต้นมากเลยค่ะก็ปกติคือเหมือนกับว่าปฏิบัติตามที่อ่านหนังสืออย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนกับยังรู้สึกว่ายังปฏิบัติไม่ถูกต้องอะค่ะอยากให้พระให้รู้ความรู้สึกเรานะให้รู้ความรู้สึกเราไม่ได้ปฏิบัติอะไรมากครับโกรธเป็นไหมโกรธบ่อยค่ะพอโกรธขึ้นมาแล้วทํายังไงเฉยๆค่ะฮะทำไมเฉยอะเหมือนกับว่าพยายามแบบไม่แสดงนั่นแหละผิดตรงนั้นแหละนะแต่ไม่ได้สอนให้ไปแสดงออกกับคนอื่นนะ โกรธเนี่ยในใจเราเนี่ยเราไม่เก็บกดให้มันโกรธไปแล้วเรามีสติรู้ทันเราจะเห็นว่าจิตตะกี้ไม่ได้โกรธแต่จิตตอนนี้โกรธเนี่ยจิตไม่เที่ยงไม่โกรธอยู่พักหนึ่งเราดูไปเรื่อยๆมันหายโกรธเออจิตตะกี้โกรธตอนนี้ไม่โกรธแล้วนี่แสดงว่ามันไม่เที่ยงดูอย่างนี้นะแต่กับคนอื่นเราไม่แสดงออกทางกายทางวาจาเรียกว่าเรามีศีล น, นะนนดูอย่างนี้บ่อยๆแต่ว่าทางใจเนี่ยอย่าไปบังคับมันให้หายโกรธ นะถ้าไปบังคับให้หายโกรธน้ํายิ่งอึดอัดใหญ่เครียดไม่ดีคือให้รู้ไวใช่ไหมให้รู้ให้รู้นะแต่ว่าไม่ต้องไปแสดงออกเหมือนเดิมไม่ต้องแสดงออกค่ะแสดงออกแล้วผิดศีลรักษาศีลไว้ก่อนแล้วก็อย่างหนูนั่งสมาธิแต่ก่อนอ่ะหนูจะคิดว่าการนั่งสมาธิจะช่วยให้เราแบบเหมือนกับหลุดพ้นในความรู้สึกของเราตั้งแต่ต้นเรานั่งสมาธิแล้วก็เราเราเหมือนกับได้ปัญญาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเราก็เลยคิดคิดว่าแบบ การนั่งสมาธิจะช่วยให้เราหลุดพ้นเราก็เลยชอบนั่งสมาธิแต่พอมาเริ่มปฏิบัติดูจิตนะคะก็พอมานั่งสมาธิรู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นสมาธิคือก็ไม่ทิ้งนะฝึกไปให้จิตสงบได้ทุกวันยิ่งดีแต่มันจะไม่สงบนานใช่มันจะไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมันจะเหมือนอยู่กับตรงนี้ตลอดคือจะปิดจะปิดโลกภายในนองละงละมลนช่ใช่มันจะหลงตอนนี้เพิ่งรู้ว่าว่าตัวเองแบบ S <S <S 1> <S 1> หลงคือว่ามันจะไม่สนใจเรื่องอื่น เ, <อ>เลยให้รู้ทันเอาน ะ, ค, ะคือทำสมาธิทำทุกวันแหละไม่เลิกแต่ไม่ทำเราซึมทำด้วยความรู้สึกตัวหายใจไปรู้สึกตัวไปดูท้องไปรู้สึกตัวไปอะไรเงี้ย น, นะไม่ให้ขาดความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเสร็จแล้วมาอยู่ในชีวิตข้างนอกเนี่ยจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราคอยรู้สึกเอานะ อย่างนี้จิตนี้ไปคิดแล้วทราบไหมวิ่งมาหาหลวงพ่อรู้ไหมรู้ค่ะเดี๋ยวก็เมอเดี๋ยวก็คิดทั้งวันนั่นแหละรู้ทันนะแล้วถึงเวลาก็ทําความสงบจะสงบหรือไม่สงบไม่เป็นไรนั่งดูตัวเองไปเรื่อยๆถึงจุดที่เขาสงบเขาก็สงบของเขาเองถึงจุดที่เขาจะเดินปัญญาเขาก็เดินของเขาเองเรามีหน้าที่นั่งทุกวันเราก็นั่งไปนั่งดูดูตัวเองนะไม่ได้นั่งบังคับให้สงบร้อยเจ็ดสบเนี่อยู่ทางนี้ อันนี้เป็นเสื้อสีส้มหลวงพ่อคะมีเพื่อนหนูมาด้วยกันเขาอยากจะถามด้วยนะคะนั่งข้างๆกันเลคะไหนละมีกี่คนต้องถามก่อนมีคนพาเพื่อนมายี่สิคนเนี้ยนครับนักมหัสการในพระอาจารย์ด้วยค่ะว่างไงเพิ่นวันนี้หนูมาคือครั้งแรกเพื่อนชวนมาแล้วก็ตัวหนูเป็นคนขี้งุนงิดแล้วก็ขี้ราคาญอืแล้วก็กดง่ายอแต่หายเร็วทีนี้บางทีเพื่อนแบบพูดไม่ถูกหูนิดนึงเราก็จะแบบว่าเขาต่อว่าเขาดูใจแล้วนะแต่เราก็พยายามแบบบางครั้งก็สงบ เดี๋ยวไปกดจิตวไว้แล้วบางทีตอนนี้คือมันมีปัญหาตรงที่ว่าเรามีความรู้สึกว่าตัวเราอ่ะในใจเราอะเกลียดเกลียดหรือโกรธแค้นคนคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มั่นใจว่าเราเกลียดเขาหรือเราแค้นเพราะว่าตอนนี้มีความรู้สึกว่าตัวเองสาบแช่งเขาตลอดเวลาเหรอมีความสุขไหม <laughs> มันเหมือนกับว่ามันจิตมันคิดขึ้นมาคือว่าลูกลูกหนูห น, หนูเลี้ยงลูกคนเดียวใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับว่า พ่อเขาไม่สนใจอะไรเงี้ยอเพิร์ลลูกหน้าเหมือนพ่อก็เลยเหมือนกันว่ารู้สึกขัดเกลียดพ่อทุกดีเลยมันก็เลยกันว่าเราไม่แน่ใจเราเกลียดเขาเราก็หรือโกรธเขานันแน่แล้วว่าเรารู้สึกว่าเราสกคอยสาบแช่งเขาตลอดเวลามันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะเราโกรธพ่อเขานะเรารู้สึกว่านี่เป็นตัวแทนเลยทําสงครามตัวแทนเด็กไม่ได้รู้อินโออิเน่ด้วยนะก็คือว่าไม่ได้ลงที่เด็กค่ะแต่ในจิตเราพยายามแบบ กรเกรยียดตัวพ่อตลอดเวลาเกียดท่อเขาเหรอแล้วก็เหมือนก็นมีความรู้สึกว่าเราไปคิดคิดเองหรือเปล่าไม่รู้ว่าว่าเราคิดว่าพ่อยเออมึงไม่เกลียมึงไม่เจริญนะขอให้มึงไม่เจริญอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเราแหละไม่เจริญเราเราไม่สบายใจ<笑><笑>เอาใหม่นะเอาใหม่แทนที่จะบอกให้มันไม่เจริญนะเราเจริญเจริญเถอะไปให้พ้นพ้นะนะคืออย่างนี้เจริญเมตตาไว้นะพยายามเจริญเมตตาไว้นะเจริญกับลูกก่อน จเจริญกับตัวเองกันนะจเจริญเมตตายามมองโลกแง่ดีบ้างแล้วชีวิตจะมีความสุขนะมองโลกแง่ดีจะมีความสุขนะมองโลกตรงตามความเป็นจริงจะพ้นจากความทุกข์งั้นตอนนี้เราในขั้นมองโลกแง่ดีไว้ก่อนคนแต่ละคนต้องมีความดีบ้างลองนึกดูซินึกสัก7วัน7คือนอาจจะนึกได้ว่าเข า, ามีอะไรดีบ้างไม่มีใครดีตลอดหอกนะไม่มีใครดี 100% อหรอก ถึงเราเองเราก็าต้องมีข้อไม่ดีเหมือนกันใช่ไหมใช่ก็นะใช่ค่ะทุกวันนี้ที่ทมามากับเพื่อนเผือเราจะได้มาคือกรรมฐานเนี้ยเราเรียน <c oughs> เพื่อเรียนรู้ตัวเองเราไม่เรียนแล้วไปเพ่งโทษคนอื่นหรอกนะเราไปแก้ที่คนอื่นไม่ได้อย่างเราโกรธเขาเนี้ยความทุกข์เกิดที่ใจของเราเองเพราะงั้นเราไปโกรธเขาแล้วความทุกข์เกิดที่ใจของเราเนี้ยเราไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลย ถ้าเรามาเรียนกรรมฐ า, านนะเรารู้ทันใจของเราใจเรามีความทุกข์เกิดขึ้นเรารู้ทันเราดูใจที่มีความทุกข์นะเหมือนเห็นคนอื่นกําลังทุกข์อยู่นะทําตัวเป็นคนดูเรื่อยๆต่อไปความทุกข์กับใจเนี่ยจะแยกออกจากกันใจจะไม่ทุกข์ต่อไปแล้วนะมีความทุกข์อยู่ห่างๆความทุกข์จะห่างออกไปโดยที่เราไม่ต้องบังคับมันเพราะบังคับไม่ได้จริงนั้นคอยเรียนรู้จิตตัวเองบ่อยๆนะจิตโกรธขึ้นมาให้รู้ว่าโกรธอย่าไปคิดถึกเขา ให้รู้ว่าจิตของเรากําลังโกรธดูอย่างนี้เลยดูที่จิตของเราเองนะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆว่าเธอจะโกรธได้นานสักแค่ไหนไม่ห้ามนะไม่ใช่ว่าต้องหายโกรธนะนั่งดูไปดูซิเออเขาโกรธดูไปว่าจะโกรธนานแค่ไหนอย่าไปอยากให้หายโกรธนะแล้วก็อย่าไปคิดถึงคนที่ทําให้เราโกรธให้ดูจิตที่โกรธไว้ดูบ่อยๆะดูไปสบายๆว่าดูซิเธอจะทนได้สักแค่ไหนดูอย่างนี้นะ แล้วต่อไปความโกรธกับจิตนี่จะแยกออกจากกันต่อไปจิตอยู่ต่าหากจิตไม่ได้โกรธนะความโกรธเหมือนคนเดินผ่านมาห่างๆไม่เกี่ยวกันจิตใจสบายฝึกไปเรื่อยนะแล้วสบายชีวิตเราสั้นนะคนเราชีวิตสั้นๆต้องมีความสุขให้ได้เรื่องอะไรเราต้องจมอยู่กับความทุกข์เพราะการคิดถึงคนอื่นนะมาดูจิตของตัวเองคิดถึงตัวเองอทางนี้คุณคิด กลับหลวงพ่อเจ้าค่ะตอนนี้กดอยู่เจ้าค่ะแล้วก็โดยภาพรวมยมรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยความทุกข์มันสั้นลงทุกข์ตเป็นกลางมากขึ้นใช่บางครั้งก็รู้อยู่ดีๆบางครั้งก็เผลอนานเจ้าค่ะทำในรูปแบบไหมทําเจ้าค่ะดีที่ฝึกอยู่ดีนะจิตใจก็มีเรี่ยวมีแรงดีดูออกไหมรู้สึกเจ้าค่ะมีอะไรออกนอกทางไหมเจ้าค่ะไม่ทําสม่ําเสมอไม่หวังผลนะเราถือว่าเราได้ทําความดีแล้วดีที่ได้ทําแล้ว ส่วนผลนันเป็นผลปล่อยได้นะทำไปคุณงามความดีนะขอถวายเป็นพุทธบูชานึกอย่างนี้เรื่อยๆนะนึกถึงพระพุทธเจ้ามีความสุขข้อเก้นานมัสการค่ะหลวงพ่อคือหนูมีความรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมามีแต่ความอึดอัดนะคะก็เลยไม่เข้าใจว่าจะโกรธก็อึดอดัดทุกอย่างมัก็มีแต่ความอึดอดัดก็เลยไม่เข้าใจว่ามันเป็นยังไงอะคะ่ะ ก็มันอืดอัดสิใจไม่ชอบดูออกไหมใจมันไม่ชอบแล้วทำไมมันไม่หายอะคะอยากหายรู้ไหมคือการภาวนาเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อแก้อาการความอึดอัดเกิดขึ้นเรามีหน้าที่รู้ทันจิตความอึดอัดเกิดขึ้นจิตไม่ชอบให้รู้ว่าจิตไม่ชอบดูที่ตรงนี้จิตอยากให้หายรู้ว่าจิตอยากให้หาย เพราะงั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจะเป็นความอึดอัดก็ตามความสบายก็ตามเกิดขึ้นแล้วให้รู้ทันจิตไหมนะถ้าจิตเป็นกลางจริงนะมันหายนะตอบได้ยังได้คำตอบไหม<ก>หนูนเอางี้สรุปง่ายๆหนูอยากหายอึดอัดใช่ไหมแล้วก็ดิ้นรนอยู่นานยิ่งดิ้นยิ่ง อ, อึดอัดรู้สึกไหมยิ่งดิ้นยิ่งอัดค่ะใช่ยิ่งดิ้นยิ่ง อ, อึดอัดนะแทนที่จะดิ้นนะ ก็รู้ทันว่าจิตกำลังอึดอัดอยู่เขรู้ทันว่าจิตอึดอัดอยู่แล้วเนี่ยจิตไม่ชอบรู้ว่าจิตไม่ชอบนี่รู้ทันจิตอย่างนี้แล้วจำเป็นต้องรู้ไหมคะว่ามันเกิดจากอะไรไม่จำเป็นนะแต่ถ้ารู้แล้วมันจะหาย<ช>ถึงจุดหนึ่งมันจะรู้เองอะ่ะบางทีมาจากข้างในบางทีมาจากข้างนอกบางทีมาจากกิเลสของเราเองบางทีมาจากกิเลสของคนอื่ น, นก็ได้สารพัดเลย ก็มันบางทีบางบางทีมันก็เกิดขึ้นเองได้ใช่ไหมคะ ไ, ไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าเราไปทําอะไรผิดมาหรือว่าใช่ทีเราเข้าใกล้คนอึดอัดเราก็อึด อ, นะอัดนะบางทีคนอึดอัดมาคิดถึงเราเราก็อึด อ, นะอัดนะถ้าอย่างงั้นในเบื้องต้นนอกจากรู้แล้วถ้าเกิดว่าเราผ่อนลมหายใจเหมือนจะทําพยายามทําสมาธินี้พอจะช่วยได้ไหมเจ้าคะช่วยให้หายอึดอัดแต่ไม่ช่วยให้เดินปัญญา สิ่งที่สําคัญกว่านะคือการเดินปัญญาจะทําให้เราพ้นทุกข์ถาวอในอนาคตเพราะฉะนั้นเมื่อความอึดอัดเกิดขึ้นให้รู้ทันว่าอึดอัดอึดอัดแล้วอยากหายรู้ว่าอยากหายรู้ทันความอยากที่เกิดขึ้นนะให้ให้รู้ทันจิตไหมจะดีกว่านะ <Yeah. S 1> เราก็ใช้ความอึดอัด น, นี่แหละมาทํากรรมฐานความอึดอัดเกิดแล้วจิตเป็นยังไง ร, รู้ทันจิตไปหมดเวลายัง เบอร์สิบสามอีกคนหนึ่งไดนะ้อีกคนนึงยกมือไว้เบอร์สิบสามเป็นทีมเสื้อเหลืองมีคนมาเสนอตรงพ่อนะบอกว่าให้บอกโยมที่มาวัดให้แต่งขาวบอกโอบอกไม่ลงอ่ะพิธีาการหลวงพ่อครับมาวัดก็บุญแล้ว<ะ>คือเวลาครูเับไม่นั่งสมาธิหน้าเสาธงเงนี้ยครับจะนั่งไม่ค่อยได้แต่เวลาไม่ต้องไปนั่งหน้าเสาธงอ่ะ เพราะว่าเวลาเข้าแถวครับครูควบคบังคับทุกเช้าไว้นั่งสมาธิแล้วก็เวลาท่านั่งเองจะนั่งเล่นานานๆแต่ถ้าครูบังคับนี่นั่งไม่ค่อยได้เลเหรอเพราะอะไรอ่ะใจต่อต้านเหรอหรือเพราะไม่ชอบเสาธงหรือว่าเพราะถูกบังคับเลยไม่ชอบบางทีมันก็ร้อนรับร้อนมากมันอะไรนะร้อนร้อนมากเลยครับร้อนจริงหลวงพ่อเห็นด้วย <laughs> เ อ, า, อยางี้ไหนๆเราก็ต้องนั่งแล้วนะ แทนที่เราจะปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านนะมันจําเป็นต้องนั่งอะต่อไปบางครั้งเนี่ยเราจําเป็น ต, ต้องฝึกจิตใจ ท, ท, ทั้งที่อยู่ในภาวะที่แย่เช่นเราป่วยหนักเงี้ยยิ่งลําบากมานั่งหน้าเสาธงอีกนั่นนั่งหน้าเสาธงแค่ร้อนเวลาไม่สบายมากๆเงี้ยถ้าเรามื่แต่เกี่ยงนะว่าถ้าร้อนแล้วเราภาวนาไม่ได้ต่อไปป่วยหนักเราก็ภาวนาไม่ได้ยิ่งแย่ใหญ่เลยนั้นร้อนๆก็ต้องฝึกให้ได้นะร้อนๆก็ฝึกดูจิตตัวเองไป เช่นจิตตัวเองร้อนให้ร่างกายร้อนแล้วจิต อ, อึดอัดจิตโมโหจิตลำคาญ ร, รู้ว่าโมโหรู้ว่าลำคาญงั้นไปนั่งสมาธิหน้าเสาธงแล้วเห็นว่าใจมันไม่อยากนั่งรู้ว่าไม่อยากหัดดูจิตของเราไปเลยนะจะสงบหรือจะไม่สงบไม่เป็นไรนะรู้ทันจิตของตัวเองไว้แล้วก็ใช้ได้นะไม่ถามหรอกว่ามาจากโรงเรียนไหน <laughs> อ่ะหมดเวลานะเดวละ เชนกับบ้าน